ได้ทำา MP3 ของหลวงตาของหลวงตามหาบัวทั้งหลักใจด้วยแล้วก็ทำมเทตนาขององค์หลวงตาด้วยทั้งหมด10แผ่นที่เอาที่เราทำมาแล้วก็ของหลวงพ่อที่มาแจกในงานกระถินนี่แหละแล้วก็ทำเป็นกระเป๋าที่กระเป๋ารวบรวม MP3 สด้วย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 ดูแลแม่ของท่านเออเหมือนกับเด็กดูแลแม่อ่าอย่างนั้นดูแลแม่พาไปเออซ็อบปิ้งบังนั่งห àng, ่างหางดูสังเกตไม่ให้ท่านไม่ให้ท่านหกล้มท่านดูอย่างปณิบัติยงแม่ของท่านหาได้ยากท่านองค์ขบนตรีเอออมุท่านอย่างนั้นอายุแม่ของท่านไม่ถึงร้อยกว่าปีนะ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 เกือบส0มแสนเหมือนกันชุดหนึ่งเพราะดีวีดีอย่างเดีย ว, วมีเสียงและภาพด้วยนะประมาณ45นะ้ก้อนก้อนละ6 0พันกว่าบาทนะอันนี้ก็คือตรงพ่อจะทำแล้วอีกอย่างนงึเสียงเทปแบบไฟเทปอีกเสียงเทปอีกอันนั้นประมาณสองหรือสมก้อนก็ราคาก็เท่าเ่ากัน เ, เพราะว่าเทปบรรจุได้มากกว่า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 ดื่มน้ําใสสะอาดอรสดืดสนิทมีประโยชน์อย่างมากที่เรามองเห็นแลามีประโยชน์อย่างมาก เ, เราก็ควรจะรักษาให้เป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังนานเท่านานเท่าที่จะนานได้ไม่ใช่ว่าเราทานเสร็จแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าเราปล่อยทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นเรามองเห็นคุณค่าควรจะ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 ของอยู่ทางนั้นกับพรอมอยู่แล้วก็ไปชั้นก็เก็บทางนู้นทำความสะอาดทางนู้นแล้วก็จบนะอยู่ข้างนอกนะแต่ทาไม่มีอะไรอยู่ข้างในเดินไปข้างนอกก็ยังไงอยู่เพราะนั้นหลวงพ่อจึงอนุ ม, มัติให้ต่อปีกศาลาออกเอกเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนะนอันนี้ก็คือพูดทางด้านวัตถุ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 ในวัดของเราดูๆแล้วก็เข้าไปข้างในมันก็พันกว่าไร่นี่ใช่พันกว่าไร่กุฏิที่พักที่สวัสวงหาความสงบเราจะส ะ, สะแสวงหาตรงไหนอย่างไรมีเวศตุกนกตรงไหนอย่างไรได้ทั้งนั้นถ้าผู้ต้องการภาวนาเนทะ่าไถร่เวสเสียจะพูดต้องการคุยกันถ้าคุยกันแล้วเ อ, อเดินไปหากันยากหน่อยเพราะมันกว้างนะมันจุคนคุยกันต้องเดินอยู่ใกล้ๆ ก, ก, กันใหเข้า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 เห็นไหมพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านไปอยู่ตามลําพังถึงหปีจากนั้นาพวกปัญจวคีร์ทั้งห้าตามไปแต่ว่าตามไปปีไหนอันนี้ในในพระไตรปิฎกท่านเขไม่ได้ไม่ได้ตรัสไว้ไม่ได้บอกเอาไว้ตามไปทีหลังแต่พอตามไปทีหลั ง, งก็เถอะแต่ตอนที่โค้งสุดท้ายเนี่ยปัญจวคีร์ทั้งห้าก็เห็นสิทธทะ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 เลยที่สามุจจรินเจ็ดวันท่านพระองค์เสวยอยู่ตั้งสี่ห้าอาทิตย์นะถือเสวยความสุขนะคลายก ข, ขาว่าเออเรามีความสุขจริงมองไปที่ไหนไม่มีอันไหนที่จะ จ, จะเอาอีกจะชนะอีกจะบำเพลิอีกแล้วจบแล้วหลักสูตรนี้จบแล้วพระอนุทรส t h มมาสัมภาโพธิญาณบริบูรณ์เลยไม่มีอันไหนที่จะยิ่งกว่านี้ไปอีกแล้วนะ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 รู้แจ้งเห็นธรรมจากพระพุทธองค์มีอยู่อขอพระองค์โปรดแสดงธรรมให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเทินด้วยพระเมตตาพระองค์ก็ืออเราเป็นใครเราเป็นมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมนุษย์พูดมีทุลีผู้มีรรมีบารมีมีอยู่ในโลกเอา้าเราควรจะโปรดบุคคลที่มีศรัทธามีบุญบา ร, รมี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 ที่พักพาอาศัยบ้านหรูหราโออาอย่างดีสร้างให้ร่างกายอยู่เมื่อร่างกายในเข้าไปอยู่ในบ้านที่หรูหราโออาอยู่ไปเถอะห้าหสิปนะีแล้วกันเดี๋ยวจะเห็นผมขาวเดี๋ยวก็จะเห็นฟันหลุดเดี๋ยวจะเห็นตาฝ้าฟางเดี๋ยวก็จะเห็นหูตึงเดี๋ยวก็จะเห็นหนังเหี่ยวผลในส่วนก็เห็นแต่นอนในเตียงลืมตาลุกกร ะ, ะดิกไม่ได้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 เราก็ถือว่าร่างกายเนี่ยเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีเหตุมียศมียดถามบรรดาศักดิ์ในชุมชนสังคมอันนี้เราก็เลยถือว่าร่างกายเนี่ยเป็นเป็นหน้าเป็นตาแต่ตามจริงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจนะเป็นใหญ่ขอให้พวกเราคณนะสัทธาญาิโยมลูกหลานเนะ่ฝังฟังเอาไว้นะเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาตอนนี้ไปพระสงฆ์จานุมทนาให้พ